<ๆ>แม่นเวลาติดดีบ่ล่ะฮะ ยิ่งมาศึกษาหลวงปู่มั่นอีกตะนี้หลวงปู่มั่นท่านเดินเข้าหาทุกข์ทีแรกหลวงปู่มั่นนะท่านเข้าสมาธิ เรามานั่งภาวนานอนภาวนาอยู่ที่วัด ตริยัตมาได้ยินแหะอันนี้หลายๆองค์เหมือนกันแล้ว ใช้กรดเป็นที่พึ่งเขานั่งบะพุทโธพุทโธเสียงก็ดังมาแล้วเสียงมากผมมันตัวใหญ่เหลือเกินไม่ใช่หรอกความรู้สึกเราต่างหาความนึกคิดเราต่างหามันหลอกเราขยับเข้าไปอีกนิดเข้าไปอีกหน่อย ก็เลื่อนเข้าไปอีกหน่อยพอตอนเย็นมาเค้าพุทโธพุทโธเดินจงกรมเดินไปเดินพุทโธพุทโธจิต โยมครับโอ๊ยปวดหัวอีกจนสว่างไม่ได้นอนอันนี้ไม่ใช่ทั้งนะหลวงปู่ชาก็เหมือนกันนะอ่ะตะลีขยําก็ไป พุทโธพุทโธไปพูดมาแต่ในหลุมเลยใครมานั่ง อันนี้รูปชนะผีได้ก็เดินเลยมั่นเหมือนกันน่ะนี่ตอนนี้หลวงปู่มั่นก็เดินน่ะชนะผีได้ เราจะไม่ให้เสือเออกลับก็กลับจิตมันบอกทันทีเลยจิตอีกส่วนนึงสวนกลับมันทันทีไหนว่าไปใช่กรรมมันตายเพราะ เสือร้องทันทีชายป่าฮึตายไปกรรมเคยพุทโธพุทโธตั้งเสเส 20 นาทีๆเส ดมข้างกดเลย 48 มาแล้วพอลืมตาอุ้ย บทบัดที่ความตายน่ะมันตายเข้า <b> เหมือนคนตกน้ําไม่มีที่อะไรจะจริงๆแล้วมันๆแล้วจิตมึงก็รวม รู้ทันทีว่าโอ้จิตหลอกไม่ตายหลอกๆไม่ใช่จิตเราจริงๆนั่นเห็น เริ่มดูตัวเองดูตัวเองเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าจิตนี้คือใครนะดูเร ต่อจากนั้นมาท่านไม่เชื่อจิตของเราอีกจะให้มาบวชแทนจ้างก็เงิน ยิ่งบวชอยากจะให้สีกามมาลุยขึ้นเขาลงห้วยไป ในการที่เรามาฝึกในครั้งนี้โอ้ยมันคือ เทศน์นานเช้าแท้น้อโอ้ยไก่เมื่อยแล้วบ่โอ้ยสิแม่ คอยปวดปวดข่อยสิไปหาน้ำกินน้ำก่อนก้น <c oughs> มึงคือเสียงบ่มีคั่นเสียงบ่มีเอ้าสิเทศเป็นเสียงมีเบิ่งเบิ่งติสิบ่ได้ห่างไกลกับเอ้าก็โลบหนีฝันนั้นว่าสิไปไสสิไปปฏิบัติ บ่สิมาให้แคะๆใส่อยู่นี่เห็น ทางบุคลากรด้านศาสนาออกมามากมายคลึงคู่กับหลวงปู่เสาท่านมีความคิดที่กว้างไกลอีกท่านเป็นธรรมยุตแต่นี้หลวงปู่เสาเป็นมหานิกายท่านบอกหลวงปู่เสาเลยว่ายยติเป็นธรรมยุตเลยเป็นมหานิกายเราช่วยกันเป็นนก หลวงปู่ชามาอยู่ด้วยตอนนี้หลวงปู่ชาเดินทางส่องแสงหา แพจึงกว้างขยายสาขาออกไป การมาชุมนุมของเราในครั้งนี้เรามาประพฤติปฏิบัติจงออกแบบอย่างครูบาอาจารย์ตะเล เธอเคยกินสบายมาแล้วตอนนี้ฉันในบาดเธเธ 49 วันเราจะ แหมไม่ได้จองแล้วไม่ได้เจตนาว่าจะ การตายนี่ยิ่งจะทุกข์ อาจารย์ข้าน้อยมาปฏิบัติอยู่มันอาจารย์ข้าน้อยมาปฏิบัติอยู่คือมี ข้านี้มนต์อัตมาไปวงท่านอาจารย์ช่วยเป่าช่วยเสกให้หน่อยเนี่ยพาบ้านเสกคาถาเป่ารดน้ํามนต์ให้ อาตมาเองก็ยังปวดขาเหมือนกันถ้าปลูกเสกได้อาตมา เราจงตั้งใจและเตรียมตัวบอกว่าและเตือนนี่ว่าโอ้ยไผสิอยากตายเพิ่นได้บ่ โมเมนต์อืมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง ก็ยังหนอยยืนเดินนั่งนอนกี่ครั้งพระโยคาจึงจะ ไม่ไม่อยากจะพูดจะได้ยินไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเอ่ยเลยนั่นแหละปล่อยวางนั่นแหละเกิดการๆแล้วมันจะ บอกให้ฟังมันสิมเงาฮ่าๆๆการเดินทางเข้าหาทุก พระอาจารย์กาเวชโกเนี่ยพระอาจารย์ 4 บาท 50 นี่ท่านอบรมผู้วัชการจังหวัดอบรมผู้วิภาคท่านผู้พิพากษาอบรมเอกการ เริ่มรณรงค์เพื่อจะให้เข้าใจในด้าน ทำตัวให้เขาเห็นด้วยไม่อยากเปล่าๆแล้วเราเลยทําอีกอย่างนึงอัน อาตมานี้อยากจะมีปัญญาท่านเคยเอาไฟเหมือนท่านอาจารย์สมภพเหลือเกิน คนห่างคนเผ่ผมอภัยเอา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สืบทอด 40 หรือ 20 หรือ 18 19 อย่าง พอนั่งตรงไหนก็เทศทีละ 2 ชั่วโมงชั่วโมงละทุกวันทุกวันเนี่ยอีกอีกไม่นานก็คงจะตายเหมือนกันก็เดินกระเพกกระเพกมาท่านก็ จะหยุดก็ต่อเมื่อเทศน์ที่ไม่มีเลยจะหยุด มันเหมือนกับเราพบพ่ออันใจลูกพ่อแม่เดียวกันกับถึงแม้ว่าอัตมาจะเป็นพระที่ไม่มีปัญญามาก ไม่เป็นพระที่รอบรู้อายอายภูมิปัญญาแค่หังอื่นภูมิปัญญาพ่อแต่ในเมื่อพ่อขอลอง มาแต่มาก็ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละไปหน่อยเถอะอตมาก็ก็ อาตมาตนนี้หน้าที่คืออบๆนักเรียนมัธยมๆปัญหามากมาย เด็กมัธยมก็เริ่มมีแล้วนะแล้วมหาวิทยาลัยก็เริ่มอะไรพิวัฒน์อะไรมันทัน ประเทศนี่กะสบายมากอ่ะพ่อก็ให้สบายตื่นเช้ามาก็สอนให้ดูโทรทัศน์บ้านเราเริ่มมีแล้วนะเอาแบบ พ่อแมส kidnapped zu ham, s sind wieder están Mobile. Pfe解kan How to implement the SuiteESS. Th Duncan chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung picture 먹는 chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung chiyakung อาจารย์นี่ว่าผู้อื่นว่าเด็กขนานบริสอนแนว ท่านดิฉันให้เล่าย้อนยุคไปครั้งโบราณสมัยคุณพ่อคุณแม่เราสมัยญาติโยมเนี่ยรุ่นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเด็กจักรยานก็ไม่มีก็เดินจะหาฟืนก็ทําได้จะหาบน้ําก็ทําได้รถผักอะไรก็ทําได้เวลลิ้งไฟเดินไกล ความเคยชินเคยชินลูกขออะไรก็ให้กลัวจะไม่ทันทำไมไม่ซื้อให้ไม่ไปโรงเรียนแม่ซื้อให้ไม่สิลูกไม่ อันนี้เริ่มต้นมาแต่สหรัฐอเมริกาอันนี้ไทยเริ่มมีสหรัฐอเมริกานี่มีแต่แท้แล้วก็กดปุ่มไม่ ไอ้แม่งไม่สมยมแล้วนี่พอเข้าไปเสร็จปั๊บโรงเรียนแค่แค่นั้นเองคนขายคนขายเด็กบ้าเอาปืนเด็กเล่นมาเล่นจะมาขู่จริงนะนะมีเงินเท่าไหร่เอามาเฮ้ยเป็นเด็กเรียนน่ะมา จะให้เงินหรือไม่ให้ภูอีกคนขายติมก็มโหไปเด็ก มันนักเลงนี่หว่านักเลงกับเอ้ยดีไปเพื่อนจะยิงแม่นเหลือ ไม่รู้ความตายเป็นไงไม่น่ะตอนนี้เพื่อนขายที่มีคนนึงขับแวะเข้ามาๆพอเกิดเหตุ เห็นมั้ยประเทศไทยตอนนี้เห็นมั้ยกําลังเห็นหรือเปล่าว่าสอบเอ็นทันไม่ได้ผิดพลาด กมินะนะลูกหลานที่มาผู้มาประพฤติปฏิบัตินี่ แต่จริงๆมันมีประโยชน์มากเลยมีประโยชน์ที่ นรกมีจริงสวรรค์มีจริงเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เพราะเขาไม่เลยแม้กระทั่งโยมทั้งหลายบอกเขาจัก